พระอนุบัญญัติ475เมื่อจีวรของภิกษุสําเร็จแล้วเมื่อกถินดอแล้วถ้าภิกษุหยุดปราศจากไตรจีวรแม้สิ้นราตรีหนึ่งต้องอบัตนิสกิยาปราจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติสิกขาบทวิพัง476คําว่าเมื่อจีวรสําเร็จแล้วหมายความว่าจีวรของภิกษุทําเสร็จแล้วสูญหายแล้วฉิบหายแล้ว ถูกไฟไหม้แล้วหรือ